่านพรท่านศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสเสาดีที่สองมกราคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือนอ้ายปีมะแมเป็นวันพระวันธรรมสนวันธรรมสวสนะันวันฟังธรรม วันนี้เป็นปีเป็นวันแรกเป็นวันพระแรกของปีใหม่คือปีพุพทธศักราช2546เป็นเวลาที่ดีที่เราจะมาวางแผนตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตของเราที่จะตามมาในอนาคตต่อไปว่าเราควรจะทำอะไรกันเพื่อ สิ่งที่เราปรารถนากันสิ่งที่เราทุกคนปรารถนากันก็คือความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลความปราศ จ, จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายซึ่งเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจากการกระทำทางกายทางวาจาและใจของเรา ถ้าเราไม่ตั้งแผถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะปฏิบัติจะประพฤติจะกระทำอย่างไรผลที่เราปรารถนากันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะผลนี้เป็นเพียงสิ่งที่จะตามมาจากเหตุคือการกระทาของเราเรามีความปรารถนาดี มีความปรารถนาสูงแต่ถ้าเราไม่บำรุงไม่บำเพ็ญเหตุที่จะทำให้ผลที่เราปรารถนานั้นปรากฏขึ้นมาเราย่อมไม่ได้รับผลที่เราปรารถนากันดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาอยู่ที่ผลแต่อยู่ที่เหตุอยู่ที่เหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่เราปรารถนากัน ดังนั้นในเวลาที่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่นี้เราจึงควรวางแผนว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะได้นำตัวเรานำชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามที่ประเสริฐเหมือนกับการเดินทางออกจากบ้านสู่จุดหมายปลายทางจุดใดจุดหนึ่ง ในเบื้องต้นเราก็ต้องวางแผนก่อนว่าเราจะไปอย่างไรเราจะขึ้นรถเมล์หรือจะขับรถไปเองเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปด้วยวิธีใดเราก็ต้องเตรียมการไว้ถ้าจะขึ้นรถเมล์เราก็ต้องเตรียมเงินไว้สำหรับซื้อตัว๋วถ้าจะขับรถไป <c oughs> ก็ต้องเตรียมรถยนต์ให้พร้อมเตรียมเติมน้ำมันดูแลเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าเราไม่เตรียมตัววางแผนไว้ก่อนพอถึงเวลาจะไปเราก็ออกจากบ้านไปบางทีก็ลืมพกเงินติดตัวไปพอจะไปขึ้นรถเมล์ก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าโดยสารก็ไปไม่ได้หรือขับรถออกจากบ้านไป ก็ไม่ได้เติมน้ำลถก็เกิดความร้อนขึ้นมาก็ไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะขาดการจะเตรียมตัววางแผนไว้นั่นเอง <c oughs> ดังนั้นการที่เราจะดำเนินชีวิตของเราไปให้ได้ด้วยความราบรื่นดีงามมีแต่ความสุขความสิริมงคลไม่มีความทุก ความเสื่อมเสียตามมาเราก็ต้องวางแผนการกระทำของเราให้ดีเมื่อเราวางแผนแล้วเราจะได้มีมีสิ่งที่คอยเตือนสติเราให้เรากระทำในสิ่งนั้นๆและเมื่อเราได้กระทำตามในสิ่งนั้นนั้นแล้วผลที่เราปรารถนากัน ย่อมตามมาในชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นก็ปรารถนาที่จะมีความสุขความเจริญไม่ต้องการประสบกับความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายเราก็ต้องดูแลการประฝึกปฏิบัติของเราซึ่งเป็นเหตุที่จะนํามาในผลที่เราปรารถนากัน ถ้าเรา <c oughs> ไม่คำนึงถึงเหตุเราปล่อยให้การกระทำของเราเป็นไปตามยถากรรมหรือเป็นไปตามอารมณ์ของเรานึกอยากจะทำอะไรก็ทำไปนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปคิดอะไรออกมาก็ปล่อยให้ความคิดนั้นสั่งการไปสู่การกระทำทางกายทางวาจาผลที่เราปรารถนากัน ก็อาจจะไม่เป็นไปหรือถ้าเป็นไปก็อาจจะไม่ได้เป็นไปมากเท่าที่ควรเพราะว่าในใจของเรานั้นมีทั้งกระแสะของความดีและมีทั้งกระแสะของความไม่ดีสลับผัดเปลี่ยนการทำงานบางวันเรามีกระแสะดีก็ส่งให้เราเกิดมีความอยากที่จะทำบุญทำทานอยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรม บางวันก็มีกระแสที่ผลักดันให้เราอยากออกไปเที่ยวอยากไปเสพจุรายาเมาถ้าเราปล่อยให้กระแสเหล่านี้เป็นตัวชักจูงพาเราไปชีวิตของเราก็จะไปแบบเหมือนกับฟันปลาขึ้นสูงบ้างลงต่ำลงต่ำบ้างถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นรถยนต์ที่ไม่มีพวงมาลัยหรือไม่มีคนขับ ปล่อยให้รถนั้นไหลไปตามถนนหนทางจะตกถนนจะแหกโคงหรือจะไปฝ่าไฟแดงชนกับรถคันอื่นก็ไม่มีใครที่จะบังคับควบคุมได้แต่ถ้าเราได้มีกำหนดขั้นตอนหรือแผนการดำเนินชีวิตของเราว่าเราจะทำอะไรแล้วเรา ถูกใจของเราไว้ด้วยความจริงใจจะว่าจะ พ, พุทธปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะนำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันดังนั้นเราจึงควรที่จะวางแผนเลือกตั้งใจกระทำในสิ่งที่จะ นำมาซึ่งผลที่เราปรารถนากันซึ่งมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งกระทําความดีคือรักษาความดีที่มีในตัวของเราให้มีอยู่ต่อไปไม่ให้เสื่อมสลายสูญไปสองให้ทำความดีสร้างความดี ที่ยังไม่มีในตัวของเราให้เกิดขึ้นมาสามละความไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเราให้ลดน้อยถอยลงไปจนหมดไปในที่สุดสให้ป้องกันไม่ให้ความไม่ดีที่เราได้ละแล้วได้ลดแล้วได้เลิกไปแล้วพวนกลับคืน ามาสู่ชีวิตของเราอีกถ้าเราทาสิ่งทั้งสี่ประการนี้ได้รับรองได้ว่าความสุขความเจริญความไม่มีทุกข์ภัยอันตรายไม่มีความเสื่อมเสียทั้งหลายจะเป็นของเราอย่างแน่นอนดังนั้นหน้าที่ของเราจึงไม่ได้อยู่ที่รอผลไม่ได้อยู่ที่การ นั่งเฝ้าให้ผลที่เราปรารถนาเกิดขึ้นมาแต่หน้าที่ของเราคือควบคุมการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจให้เป็นไปตามแนวทางที่ดีที่ควรดังที่ได้กล่าวมาทั้งสี่ประการนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะ เริ่มตรวจสอบดูในตัวของเราเองว่าในตัวของเรานั้นมีความดีส่วนที่ดีมากน้อยเพียงไรและมีส่วนที่ไม่ดีมากน้อยเพียงไรแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้จะทำความดีให้มีมากเพิ่มขึ้นและจะลดส่วนที่ไม่ดีให้เบาบา ง, งไปให้น้อยลงไป จะตั้งมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราถ้าเราไปตั้งเป้าหมายที่สูงแล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เราก็จะเกิดความท้อแท้งเกิดความหมดกำลังใจขึ้นมาเพราะเราไปทำในสิ่งที่มากกว่าความสามารถของเราที่จะทำได้สมมติว่าเรา ขณะนี้เราสามารถยกน้ําหนักยกสิ่งของได้ประมาณ20กิโลต่อหนึ่งครั้งแต่เราอยากที่จะให้ยกน้ําหนักให้ได้มากขึ้นมากกว่าเดิมเราก็ลองตั้งเป้าว่าจะยกสัก25กิโลโดยค่อยๆขยับขึ้นไปจาก20ก็ขึ้นสู่21 22 23ค่อยๆขยับขึ้นไป ทีลเเล็กทีละน้อยถ้าเราทำอย่างนี้เราจะทำได้ง่ายกว่าที่จะยกจาก20ไปสู่25ในครั้งเดียวเลยเพราะร่างกายของเรายังไม่ได้ปรับตัวยังได้ยังไม่ได้มีการพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆไว้ให้รับกับน้ำหนักที่เราจะต้องยกขึ้นมา ดังนั้นขอให้เรามองดูความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถมากน้อยเพียงไนแต่ทุกคนไี้มีความสามารถที่จะพัฒนาตนให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ทุกทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะมีศรัทธาหรือมีฉันทะความพอใจที่จะทำในสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่มีศรัทธา หรือเราไม่มีฉันทะความพอใจเราก็ต้องสร้างศรัทธาหรือฉันทะนั้นให้เกิดขึ้นด้วยการพิจารณาถึงผลที่ดีงามที่จะตามมาที่เกิดจากการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบถึงแม้ว่าการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนั้นจะยากจะลาบากเพราะเป็นการทวนกระแส ความไม่ดีที่มีอยู่ในใจของเราในใจของเราทุกคนนั้นมักจะมีส่วนที่ไม่ดีฝังอยู่คือความเกลียดคร้านอย่างนี้เราต้องมองให้เห็นโทษของความเกลียดคร้านที่มีฝังอยู่ในใจของเราว่าเป็นส่วนเสียเป็นส่วนทวงความเจริญคนเราจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียร เรื่อความเกียดคร้านนี่แหละถ้ามีแต่ความขยันหมั่นเพลินมีวิรยิยะความอุตสาหาะแ ล, ะและ้วไม่ว่าจะกระทําอะไรย่อมประสบกับความสำเร็จกับความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ช้าหรือเร็วแต่ถ้าเป็นคนที่มีแต่ความเกียดคร้านและไม่สามารถที่จะกําจัดหรือทําให้ความเกียดคร้านนั้นลดน้อยถอยลงไป โอกาสที่จะประสบกับความสําเร็จประสบกับสิ่งที่ตนปรารถนานั้นย่อมเป็นไปด้วยความยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หน่งผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราแท้ๆพระพุทธเจ้าจึงสอนเน้นหลักไปที่หลักของการมีตนเป็นที่พึ่งของตนอัตติอัตโนนาโถ พระพุทธเจ้าถึงแม้ท่านจะวิเศษท่านจะประเสริฐขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติแทนเราได้ท่านไม่สามารถอุ้มเราให้ไปสู่ผลที่เราต้องการได้เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้เดินไปปฏิบัติไปถึงจะไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้และการที่เราจะไปถึงจุดหมายนั้นได้ก็ต้อง อาศัยการปฏิบัติของเราโดยอาศัยผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้ากับพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้คอยให้กำลังใจเป็นผู้คอยชี้บอกทางให้กับเราในยามที่เรามีความรู้สึกท้อแท้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจก็ขอให้เราละลึกถึงพระพุทธเจ้าละลึกถึงพระอริยเจ้าทั้งหลาย ว่าท่านทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนกับเรามาก่อนท่านเป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเราท่านก็พยายามปฏิบัติเหมือนเราท่านก็มีความท้อแท้เหมือนเราเพียงแต่ว่าท่านไม่ยอมแพ้เท่านั้นอย่างที่มีความท้อแท้ทําไม่ได้มากท่านก็ทําไปเท่าที่จะสามารถทำได้คืออย่างน้อยไม่หยุดไม่เลิกหรือถ้าจะหยุดก็จะหยุด เพื่อพักผ่อนเพื่อเอากำลังไว้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็กลับมาสู้กันต่อไปอย่างนี้จะเป็นวิธีที่จะทําให้เราดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเดินทางหรือของการต่อสู้เมื่อเราปฏิบัติไปแล้ว มันย่อมมีความอ่อนลา้ามีความเหน็ดเหนื่อยมีความท้อแท้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่เราต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์ชั่วคราวมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราถาวรตลอดไปเมื่อเราทำความเข้าใจอันนี้แล้วก็ไม่ไม่ไปกังวลกับอารมณ์นั้น เรามีหน้าที่ที่เราเคยทำอย่างไรเป็นปกติเราก็ทำไปของเราถึงแม้ว่าจะไม่เกิดผลที่เราต้องการต้องการปฏิบัติของเราบางครั้งเวลาปฏิบัติไปก็เกิดความเกิดผลดีเกิดมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความรู้สึกว่าได้พัฒนาขึ้นไปแต่บางครั้งก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า ยืนอยู่กับที่ปฏิบัติไปก็ไม่ได้ค่อยไม่มีความอิ่เอิบใจอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติที่จะต้องมีการล้มลุกคุกคานไปก่อนและต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วอารมณ์เหล่านี้จะค่อยเบาบางลงไปจะมีแต่ผลที่จะเริ่มปรากฏขึ้น เป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาดัางนั้นในเรื่อต้นนี้จะเป็นระยะแรกเป็ น, เ ป, นเป็นระยะที่ยากลำบากมากเพราะปฏิบัติไปแล้วไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เลยเกิดความท้อแท้อินนารอาจัยก็อยากให้ความรู้สึกนี้มาล้มล้างความตั้งใจที่ดีความปรารถนาที่ดีของเรา ขอให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระอริยเจ้าทั้งหลายว่าท่านก็ล้มลุกคลุกคานเหมือนเราเหมือนกันแต่ท่านเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นถึงแม้จะถูกต่อยให้ล้มลงไปนอนกับพื้นนับแปดแต่เมื่อลุกขึ้นมาได้ก็จะดำเนินก็จะปฏิบัติต่อไปจะได้ผลมากผลน้อยในแต่ละครั้ง ก็ไม่กังวลใจขอให้ได้ปฏิบัติไปก็แล้วกันตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ถ้ามีความแน่วแน่อย่างนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าจุดหมายปลายทางอันดีงามที่เราทุกคนปรารถนากันจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วนี้ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำไว้ในอดีตถ้าเราสะสมบุญมามากสะสมบารมีมามากเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วถ้าเราได้สะสมบุญบารมีมาน้อยได้สร้างบาปสร้างกรรมมามากการปฏิบัติของเราก็อาจจะช้า เพราะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่มากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอุปสรรคเหล่านี้นั้นไม่อยู่ไม่ไม่วิเศษไปกว่าความเพียรของเราความเพียรของเราจะสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางกั้นได้ดังนั้นอย่างที่เรามีความท้อแท้ก็ขอให้เราเตือนสติอย่าไปพ่านยกเลิกว่า ปฏิบัติมานานแล้วไม่เห็นได้ผลเลยสู้ไม่ปฏิบัติดีกว่าถ้าเป็นคิดแบบนี้แล้วเป็นการฆ่าตัวตายเป็นการปิดกั้นอนาคตที่ดีที่เจริญที่รุ่งเรืองของเราไปเพราะเราก็จะถูกอำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำชักจูงให้เรากลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้จะมีความสุขมีความสนุกมีความเพลิดเพลิน แต่ก็เป็นความเพลิดเพลินแบบขุดขุดลุมฝังตัวเองนั่นเองเวลาเราไปเที่ยวไปเสพอบายามุขต่างๆเราก็มีความเพลิดเพลินแต่ในขณะเดียวกันเราก็กลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วถ้าเราติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะดูดความเจริญดูดทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเรา ให้หมดสิ้นไปเมื่อเราไม่มีทรัพยากรเหลืออยู่แล้วเราไม่มีความสามารถที่จะหามาได้ด้วยความสุดจริญเราก็ต้องไปหามาด้วยความทุจริญแล้วในที่สุดก็ต้องไปใช้เวงใช้กรรมทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตที่จะตามมาต่อไปถ้าเราคิดเรื่องเหล่านี้แล้วมันก็จะทําให้เรามีกําลังจิตกําลังใจ ที่จะปฏิบัติทำคุณงามความดีต่อไปถึงแม้ว่าจะยากลำบากเลือดตาแทบกระเด็นกระต่างแต่ถ้าเราคิดถึงผลที่จะตามมาต่อไปแล้วมันจะทำให้เราเกิดมีกำลังใจเพราะกา ร, การปฏิบัติความดีนี้มันจะมันจะยากจะลาบากในเบื้องต้นอุปสรรคจะมากความทุกข์ความยากความลำบากจะมีมากแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้ว สิความทุกข์ความยากลําบากนี้จะค่อยๆเบาบางไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วความสุขความสบายจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและจะมีมากจนกระทั่งมีเต็มครบร้อยบริบูรณ์และจะเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนลําแข้งลําขากําลังใจของเราเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเกิดจาก ความสงบความสะอาดของจิตของเรานี่เป็นสิ่งที่จะอยู่คู่เคียงกับเราไปตลอดอนันตการไม่ว่าเราจะไปที่ไหนแห่งใดถ้าเรายังไม่ได้สิ้นสุดแห่งการถึงสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคุณธรรมความดีเหล่านี้ความสุขเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปทาให้การปฏิบัติของเรานี้ไม่ขาดตอน ไม่สูญเสียไม่สูญหายไปเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เราไปเกิดได้พบใหม่ชาติใหม่เราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เพราะพลังของจิตนี้ไปกับจิตคุณงามความดีนี่แหละคือพลังของจิตและไม่สูญสลายไปจะติดไปกับใจเป็นเหมือนกับทิสัยเป็นบารมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบงเพ็ญพระบารมี มาเป็นเวลาอันยาวนานประบรารมีหลัานั้นในแต่ละบพระชาติที่ได้ส่งเสาะสมไว้ก็ไม่สูญหายไปไหนก็ยังอยู่ติดอยู่กับพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสนับสนุนให้พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงธรรมอันสูงสุดคือได้บรรลุปเป็นพระอนุตตราสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้สะสมบุญบารมีมาทุกภพทุกชาตินั่นเองพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันใครจะไปรู้ว่าหนึ่งในของพวกเราที่นั่งอยู่ในศาลานี้อาจจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าในภยายภ่าคหน้าขึ้นมาก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาจากผู้วิเศษที่ไหนพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็มาจากพวกปุถุชน คนมืดบอดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละเพียงแต่ว่าเรามีศรัทธาเรามีฉันทะความยินดีความพอใจมีวิริยะความอุตสาหะมีขันติความอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไวใ้ให้เราปฏิบัติตาม เรานี่แหละต่อไปจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วก็อยู่กับตัวเรานั่นแหละเหมือนกับเราขับรถถ้าเราขับรถไปกับรถช้าก็ไปถึงจุดหมายปลายทางช้าถ้าเราขับรถเร็วเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วฉันัดการปฏิบัติของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราปฏิบัติมาก เราก็จะไปเร็วถ้าเราปฏิบัติน้อยเราก็จะไปถึงชาวันหนึ่งเรามีอยู่24ชั่วโมงเราปฏิบัติทำกันมากน้อยเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติอย่างพระสาวกในอดีตการท่านปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับแล้วท่านหลับคืนหนึ่งก็ไม่มากหลับคืนละเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นเองดังนั้นท่านปฏิบัติ ถึงยี่สิบชั่วโมงต่อวันจึงไม่เป็นของแปลกอะไรที่ท่านจะได้บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วในสมัยพุทธกาลจึงมีปรากฏพระอหรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากมายเพราะว่าท่านปฏิบัติกันนั่นเองท่านไม่ได้เพียงแต่สักแต่ฟังแล้วก็ไม่ได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติผลจึงไม่ค่อยปรากฏ อย่างเหมือนในสมัยนี้มีคนเยอะมีคนถึงห0สิบล้านคนในประเทศไทยที่นับสือพระพุทธศาสนาแต่มีคนสักกี่คนที่จะบรรลุเป็นพระอริยาสาวกของพระพุทธเจ้าแทบจะหาไม่ค่อยได้เลยทุกวันนี้เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเดินไปก็ไม่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่เหมือนในสมัยพุทธกาล เดินไปก็มักจะเดินชนกับพระอริยเจ้าเสมอเสม อ, ส, มอ <c oughs> สิ่งแตกต่างกันในสมัยพุทธกาลกับในสมัยนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรานั่นแหละในสมัยพุทธกาลมีการปฏิบัติกันอย่างจริงจังเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ฟังกันอย่างจริงจังเมื่อฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ได้ฟังเพื่อเป็นการสะสมบารมีการสะสมบารมีที่แท้จริงนั้นจะต้องนำไปปฏิบัติถ้าฟังแล้วไม่ได้เอาไปปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการสะสมบารมีเป็นการสูญเปล่าไปเปล่าเสียเวลานั่งฟังเสียเวลาของคนที่พูดเพราะไม่ได้นำไปปฏิบัติการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอ เหมือนกับการรู้ทางแล้วแต่ไม่เดินทางไปอย่างนี้ก็จะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาได้แล้วถ้าเดินก็เดินแบบกระต่ายก็ไม่ดีกระต่ายนี้เดินในลักษณะประมาทคือแล้วแต่อารมณ์วันไหนขยันก็เดินไปเร็วพอวันไหนขี้เกียจก็ทะเลถลายไปเที่ยวไปทำนูน่นทำนี่ก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางสักที ต้องเอาแบบอย่างของเต่าเต่าถึงแม้ว่าจะก้าวไปทีละก้าวอย่างช้าแต่เต่าเป็นแต่แต่ไปแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยอมถอยหลังไม่ทะเทะลายเต่ารู้หน้าที่ของตนว่าจะต้องเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็เดินไปด้วยความแน่วแน่มั่นคงด้วยความภาคเพียนด้วยความอดทน แด้ในที่สุดถึงแม้จะเดินช้า ก, กว่ากระต่ายแต่ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางกว่าก่อนกระต่ายเพราะว่าไม่ประมาทนั่นเองส่วนกระต่ายนี้ประมาทคิดว่าตนมีความสามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่ก็ไปได้ก็เลยผัดวันประกันพรุ่งไปเหมือนกับพวกเรานากจะชอบผัดไปเรื่อยๆว่าตอนนี้เรายังมีอายุน้อยอยู่ เรายังมีความสามารถที่จะหาความสุขในโลกนี้ได้ไว้รอให้เรามีอายุมากขึ้นไปก่อนไว้แก่แล้วไม่มีกำลังวังชาที่จะออกไปเที่ยวแล้วเรอค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเป็นการประมาทด้วยเป็นการประมาทสองกรณีด้วยกันคือหนึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ถึงอายุแก่เท่าหรือเปล่า เราอาจจะตายในขณะที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้สองเมื่อเราแก่เฒ่าแล้วเวลาไปปฏิบัติธรรมมันจะยากจะลำบากเพราะสังขารร่างกายมันไม่เอื้ออํานวยสองนิสัยที่เราเคยปลูกฝังมาไปในทางโลกมันก็จะเป็นสิ่งที่คอยขีดขวางให้เราปฏิบัติทางธรรมได้ยากยิ่งแต่ถ้าในขณะที่เรายังเป็นผู้มีอายุอ่อนวัยอยู่ แลเริ่มปฏิบัติธรรมเสียตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นยังสาวอยู่การปฏิบัติมันก็จะง่ายเพราะกําลังวังชาร่างกายของเราก็พร้อมและ <c oughs> นิสัยทางโลกก็จะไม่มีมาขวางในการปฏิบัติของเราเหมือนกับการดัดไม้เขามักนิยมดัดไม้ตอนตอนที่ไม้อยังอ่อนอยู่เพราะไม่อ่อนนี่ดัดง่ายแต่เมื่อไม้แก่ไปแล้วจะดัดยาก เชนใดเราจึงควรรีบเร่งปฏิบัติในขณะที่เรายัง <c oughs> มีอายุน้อยอยู่หรือถ้าว่าเรามาวัดในขณะที่อายุเรามากแล้วก็จำต้องยอมรับฐานะของเราแต่ก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดอายุใดจะหนุ่มจะแก่ก็ไม่ไม่สำคัญ ขึ้นอยู่กับความภาคเพลินขึ้นอยู่กับศรัทธาความพอใจที่จะปฏิบัติมากกว่าเพียงแต่ว่าความยากง่ายอาจจะต่างกันเท่านั้น <c oughs> แต่ในที่สุดถึงแม้จะยากขนาดไหนถ้าเราปฏิบัติแบบ